บทที่เก้าความเป็นมาแห่งผู้สร้างนครปาตลีบุตรตอนย้ายราชธานีด้วยความสำนึกผิดอย่างใหญ่หลวงพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงกลับพระทยัยและทรงมีปณิธานแน่วแน่ว่าจะทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีของประชาชน จะทำนุบำรุงสมณพร a m a า a j a ในขอบคันธสีมาของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุขทรงทราบด้วยพระองค์เองแล้วว่าคําสอนของพระเทวทัตเป็นเสมือนยาพิษซึ่งเคลือบไว้ด้วยน้ําตาลเมื่ออมเข้าไปใหม่ๆก็รู้สึกหวานดีแต่เมื่อยาพิษออกฤทิ์จึงทราบว่าเป็นอันตรายเพียงใดพระองค์ได้ประจักษ์ชัดว่าบาปนั้นจกไม่มีตัวตน มองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงให้ผลเผ็ดร้อนจริงพระองค์ทรงทราบด้วยพระองค์เองแล้วจำเดิมแต่พระเจ้าพิมพิสารและพระนางเจ้าเวเทหิพระราชมารดาสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูมิอาจบรรทมหลับได้สนิททรงรู้สึกร้อนรอนเหมือนเปลวเพลิงโหมอยู่หนะ้าแท่นบรรทมใครเล่าจะทราบความรุ่มร้อนของพระองค์ยิ่งกว่าพระองค์เอง ใครหนอจะสามารถดับความรุ่มร้อนแห่งพระองค์ได้ดังนั้นคืนหนึ่งเป็นคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนซึ่งดอกโกมุตบานพระเจ้าอาชาติศัตรูประทับท่ามกลางมุกอามาต ร, ราชบริพานมากหลายพระองค์ทรงปรารพขึ้นว่าราตรีที่มีพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้ช่างน่ารื่นรมจริง หน้าเบิกบานใจจริงในราตรีเช่นนี้เราควรเข้าไปหาสมณะหรือพรามคนไหนหนอเพื่อสนทนาให้เป็นที่เบิกบานใจยิ่งขึ้นรัดแล้วประทับเฉย อ, อยู่อมาตย์และมุขมนตรีหลายท่านได้ทูลถึงชื่อของสมณะที่ตนเลื่อมใสมีปรณกาัสปะเป็นต้นว่าเป็นสมณะที่พระองค์ควรจะเสด็จไปหา แต่พระราชาทรงเฉยเสียในที่สุดก็ทรงผินพระภาคมาตรัสกับหมอชีว ก, กโกมารพัทน์ว่าชีวกทำไมท่านนั่งเฉยอยู่ไม่กล่าวถึงสมณะหรือพรามที่เราควรไปหาบ้างหรือเทวะหมอชีวกกราบทูลบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะสวนมะม่วงอันรื่นรมของข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีพระเกียรติคุณระบือไปไกลกว่าทรงเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะทรงรู้จักโลกอย่างแจ่มแจ้งทรงสามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเต็มที่ทรงเป็นผู้มีโชคดีอยู่เสมอเทวะหากพระองค์จะเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็จะเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะอย่างนั้นรือชีวกพระเจ้าชาติศัตรูตรัสถามย้ำอีกครั้งหนึ่งและโดยที่หมอชีวกยังไม่ได้กราบทูลประการใด พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ท่านสั่งการจัดเตรียมยานและประทีปโคมไฟเข้าเถอะเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงมีราชบริพารแวดล้อมมีหมอชีวกโกมารพัฒเป็นมกุฏเทศก็เสด็จสู่ ชีวกรรมพวันอันรื่นรมสเสด็จถึงบริเวณสวนมะม่วงแล้วแต่ไม่ได้สดับเสียงใดๆเลยไม่สมกับที่หมอชีวกกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นจำนวนพันคราวนี้ความสะดุ้งหวาดวันเกิดขึ้นแก่ราชาแห่งแคว้นมคตเป็นธรรมดาของคนที่มีความคิด เคยคิดร้ายเคยทำร้ายผู้อื่นมาย่อมหวาดระแวงอยู่เสมอว่าผู้อื่นจะคิดร้ายต่อตนและทำร้ายตนดังนั้นอชาติศัตรูเวเทหิบุตรจึงตรัสกับหมอชีวกว่าชีวกป่านี้สงบเงียบยิ่งนักไม่สมกับที่ท่านบอกว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ท่านไม่หลอกลวงเราหรือท่านไม่ได้มีแผนการใดๆ เพื่อทำร้ายเราหรือทรงมองดูชีวกด้วยสายพระเนตรแสดงความวิตกและวิงวอนเทวะอย่าทรงวิตกเลยสเสด็จเข้าไปเถอะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงนี้แน่นอนข้าพระพุทธเจ้ามิได้หลอกลวงพระองค์เลยมิได้คิดร้ายต่อพระองค์เลยชีวกกราบทูลชีวก พระเจ้ า, าชาติศัตรูตรัดต่อไปเพราะยังไม่แน่พระไทยนักท่านเป็นที่โปรดปานยิ่งนักของสมเด็จพระราชบิดาและความจงรักภักดีท่านมีมากลน้นท่านไม่หลอกลวงเราหรือท่านไม่คิดทำร้ายเราหรือเทวะไม่มีประโยชน์อะไรที่ข้าพระพุทธเจ้าจะคิดร้ายต่อพระองค์สมเด็จพระราชบิดาสิ้นพระชนไปแล้วเทวะ พระผู้มีพระภาคเจ้าพร่ำสอนอยู่เสมอว่าเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรขอพระองค์ทรงแน่พระทัยเถิดพระองค์จะปลอดภัยทุกประการเสด็จต่อไปเถิดเทวราชาแห่งเบญจกิรีนครจึงเสด็จต่อไปเมื่อผ่านดงมะม่วงหมู่ที่หนึ่งไปเพียงเล็กน้อยมองไปเบื้องหน้าเห็นประทีปโคมไฟสีนวลส่องแสงเรืองรอง พระองค์เสด็จลงจากพระคาชาทานดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปนักที่ใกล้พระจอมุนีสักยะบุตรประทับนั่งสง่างามรุ่งเรืองท่ามกลางภิกษุสงฆ์ซึ่งนั่งแวดล้อมอยู่เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งดวงบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชรามากแล้วพระพรรษายุการแห่งพระองค์นับได้73กระนั้นก็ตาม ความสุขใสยรุ่งเรืองยังฉาบชายอยู่อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพระบารมีธรรมเทวะเสด็จเข้าเฝ้าเถิดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นั่นหมอชีวกทูลเตือนพระเจ้าอาชาติศัตรูมีพระทัยไม่สู้ปกตินักเหมือนเด็กที่ทำผิดต้องจำใจเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดี มีความรู้สึกสูงบริสุทธิ์ทั้งกายและทางใจพระองค์ลงหมอบถวายอภิวาทพระบรมศาสดาและกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคสงบเงียบยิ่งนะักแม้ชุมนุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็หามีอาการขนองใดๆไม่พระองค์ผู้เจริญ ขอให้อุทยัยพระธรราชชกุมารโอรสแห่งข้าพระองค์พึงสงบเงียบเยือกเย็นเหมือนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระผู้มีพระภาคยังคงประทับนิ่งอยู่บริเวณชีวกรรมพวันเงียบสงัดเหมือนไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่เลยนานๆครั้งจะได้ยินเสียงไฟแห่งประทีปดังพรึบเ พ, พ, พ, พรเพราะพระพายราเพยมา พระเจ้าอาชาศัตรูโกวนกระวายพระไทยมากขึ้นในที่สุดพระพุทธองค์จึงเอ่ยพระพุทธดำรัสว่ามหาบอพิษผู้ใดมีใจสงบปราศจากความเศร้าหมองกายและวาจาของผู้นั้นก็จะพลอยสงบไปด้วยพระองค์ผู้ประเสริฐนี่หรือคือผลแห่งความเป็นสมณะข้าพระองค์ได้ทราบและได้มองเห็นว่า ผู้มีอาชีพอย่างยิ่งย่อมมองเห็นผลแห่งอาชีพของตนทันตาเห็นเช่นชาวนาชาวสวนคนรับจ้างและข้าราชการย่อมได้ปัจใจมาเลี้ยงตนและครอบครัวแต่สามั ญ, ญผลคือผลแห่งความเป็นสมณะมีอย่างไรข้าพระองค์ไม่ได้ทราบเลยมหาบอพิษบุคคลผู้มุ่งประโยชน์อย่างสูง ประพฤติตนเป็นผู้เบาสบายสำรวมอินทรีย์หลุดพ้นจากเครื่องผูกพันบ่วงแห่งโลกีทั้งปวงแล้วไม่มีอะไรที่พวงดอกไม้แห่งมานไม่ยึดถืออะไรอะไรว่าเป็นของตนไม่หวังเพื่อเกิดพบใดๆนิยมการสัญจรเพียงผู้เดียวบุคคลผู้มีลักษณะดังกล่าวนี้ ไม่ต้องอาศัยศิล ป, ปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีชีวิตอยู่ได้มหาบอพิษสามัญยผลคือผลแห่งความเป็นสมณะนั้นเป็นผลชั้นสูงสำหรับบุคคลผู้เบื่อนายแล้วคลายแล้วซึ่งโลกามิตรคือเหยื่อของโลก เป็นผลที่มีการสิ้นสุดไม่วนเวียนเธอผู้มุ่งหวังสามัญญาผลออกบวชประพฤติตนเป็นอนาคาริกมุนีผู้ไม่ครองเรือนเคยเป็นทาตก็พ้นจากความเป็นทาตเคยเป็นนี่ก็หลุดพ้นจากนี่เธอมีศีลสํารวมอินทรีย์แล้วอาจได้บรรลุฌานที่หนึ่งถึงฌานที่8เธอสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิ และปัญญาอันประเสริฐมีจิตใจมั่นคงยอมหลุดพ้นจากกิเลสบาปธรรมทั้งมวลเป็นผลอันประเสริฐสุดที่มนุษย์จะพึงได้รับในชีวิตนี้เธอย่อมประสบ ป, ปีติประโมทอย่างใหญ่หลวงเวเทหิบุตรเออยแม้เพียงโสดาปฏิพันเท่านั้นยังประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินประเสริฐกว่าการกำเนิดเป็นเทพในสวรรค์ ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้จะกล่าวยายถึงอรหัตผลเล่าว่าจะมีผลเลิศเพียงใดต่อแต่นั้นพระบรมศาสดาทรงยักย้ายพระธรรมเทศนาอนุรูปให้เหมาะแก่จริยาและอุปนิสัยของพระเจ้าอาชาตศัตรูโดยอเนกปริยายทรงขมวดพระธรรมเทศนาลงด้วยการประกาศสามุกกลางสิกขาธรรมคือ อรียสัตย์พระเจ้าอาชาศัตรูทรงสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจมแจ้งไพเราะจับใจเหมือนเปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีในตาดีได้มองเห็นรูปและขอถึงพระรัตนะไตรเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนะักครั้งนั้นถ้าพระเจ้าอาชาศัตรูไม่ได้ประกอบอนันตริยกรรม ปิตุคาตก็จะพึงบรรลุโสดาปติผลแต่กระแสธรรมเบื้องสูงอันรำนบคืออนันตริยกรรมปิดกั้นเสียแล้วพระองค์จึงถึงได้แต่เพียงคุณคือความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วได้ทรงเป็นเอกอัคราษานูปถัมภกในการสังฆนาร้อยกลองพระธรรมวินัยครั้งแรกช่วระยะเวลาแปดปีที่ขึ้นกรองราช คือนับตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนจนถึงปีที่พระผู้มีพระภาคปรินิพานพระเจ้าอาชาศัตรูมีโครงการแผ่อาณาจักรมคตอย่างใหญ่หลวงทรงได้แคว้นโกศลมหาอาณาจักรหนึ่งของชมพูทวีปไว้ในอำนาจและขยายเขตแคว้นมคตออกไปตลอดต่มแม่น้ำคงคาตั้งแต่บัดนั้นมาแคว้นมคตก็มีอานาจยิ่งใหญ่เหนือแคว้นใดๆ แต่ความอิ่มในสมบัติและพอใจในอนาเขตมีอยู่น้อยในพระไทัยของกษัตริย์แทบทุกพระองค์ที่ยังไม่ขยายอนาเขตไปอาจเป็นเพราะกําลังไม่พอหรือเพราะอุปสรรคบางอย่างมาเป็นเครื่องกีดกัน้นด้วยเหตุนี้กระมังในปีสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะดับขันธปรินิพพานนั่นเองพระเจ้าอาชาศัตรูเตรียมทัพใหญ่เพื่อโจมตีแคว้นวัชชี ซึ่งมีเวสาลีเป็นนครหลวงรับสั่งให้สุนิทธมหาอามารและวัศการพ ร, รามไปสร้างที่มั่นณปาตาลิคามอันตั้งอยู่ใกล้เขตแคว้นวัดจีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากราชครืมุ่งสู่นครเวสาลีเป็นที่หมายเป็นปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์เสด็จผ่านเมืองต่างๆมาจนกระทั่งถึงปตาตลิคาม ซึ่งสุนิธมหาอมารจและวัสการพรามกำลังสร้างเมืองอยู่อุบาสกและอุบาสิกาชาวปาตลิคามได้รับข่าวการเสด็จมาของพระตถาคตเจ้าต่างชื่นชมยินดียิ่งนักถูนให้ประทับณเรือนพักซึ่งจัดไว้เป็นพิเศษถวายขาธนียโภชนิยารอันประนีตและปานะประเภทต่างๆ ตามศรัทธาภาสาทาแห่งตนแห่งตนพระตถาคตเจ้าทรงปฏิการน้ำใจอารีของพุทธบริษัทด้วยธรรมเทศนาอันอำนวยประโยชน์ยิ่งมีการพัฒนาถึงโทษของความทุศีลและพัฒนาถึงคุณแห่งการมีศีลเป็นต้นให้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ร่าเริงบันเทิงในสัมมาปฏิบัติตามอธยาศัยแห่งตน จวนอรุณรุ่งของวันนั้นพระธถาคตเจ้าทรงแผ่ขายพระยานตรวจ ด, ดูอุปนิสัยแห่งเวนยศัสตร์และเหตุการณ์ทมพุทธปฏิปทาพระองค์ผู้มีอนาคตต่างสยานอันไม่มีที่ติดขัดเห็นอนาคตของปาตลิกามแล้วตรัสกับพระอ น, น์พุทธอนุชาว่า นนต่อไปภายหน้าปตาตลิคามนี้จะมีนามใหม่ว่าปตาตลีบุตรจะเป็นนครยิ่งใหญ่ไพศาลมีอำนาจเกรียงไกรเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญยิ่งนครหนึ่งแต่ปตาตลีบุตรจะประสบอันตรายเพราะเหตุสามอย่างคือเพราะน้ำหรือเพราะไฟหรือเพราะการแตกสมคีกัน ตอนสายวันนั้นเองสุนิทธมหาอมารตและวัสการพรามมาทูลอารัธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธบริวารเพื่อเสวยพระกยาหารในการฉลองนครซึ่งสร้างขึ้นใหม่พระพุทธองค์ทรงรับอารัธนาโดยอาการดุษณีวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โมหญ่ มีพระอนน์เป็นปัจช้าสมณะเสด็จเข้าสู่นิเวศของสุนิทธมหาอมารตและวัสการปรามเขาทั้งสองได้ถวายอาหารอันประณีตเมื่อพระองค์ได้เสวยเสร็จแล้วจึงทรงอนุโมทนาด้วยพุทธวาจาว่าบุคคลผู้เป็นบัณฑิตพมนักนที่ใดย่อมบำ ร, รุงผู้มีศีลผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ อุทิศบุญกุศลเพื่อเทวดาผู้อารักขาณที่นั้นเทวดาทั้งหลายเมื่อได้รับการบูชานับถือย่อมบูชาและนับถือตอบแล้วอนุเคราะห์บุคคลนั้นประดุษมารดาบิดาเอนดูบุตรดาของตนบุคคลผู้ช่วยตนเองและได้เทวดาช่วยอุปถัมย่อมประสบแต่ความเจริญแล้วเสด็จลุกจากอาสนะ สุนิท h มหาอมร์และวัสการพรามตามเสด็จไปอย่างใกล้ชิดตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคออกทางประตูด้านใดจะตั้งชื่อประตูนั้นว่าประตูโคตมะเสด็จข้าแม่น้ำคงคาท่าใดาจะตั้งชื่อท่านั้นว่าท่าโคตมะพระผู้มีพระภาคทรงละปะตลิคามไว้เบื้องหลังเสด็จสู่ โกติคามนาธิกคามและเสด็จนครเวสาลีตามลําดับเมื่อสร้างนครเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้ า, าชาติศัตรูเสด็จมาประทับณปาตาลีบุตรเสมอเสมอประการหนึ่งเพื่อดูลาดลาทางเวสาลีอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เองอีกประการหนึ่งเป็นการแปลพระราชฐานเพื่อความสําราญแห่งพระองค์ ปตาตลีบุตรในเบื้องแรกจึงมีลักษณะคร้ายเมืองตากอากาศสำหรับกษัตริยาธิบดีมุขมนตรีและพระบรมวงศานุวงศ์อันหนึ่งเล่าคราวใดที่จอมตตุรงแห่งแคว้นมคตทรงละลึกถึงสมเด็จพระราชบิดาครานั้นพระองค์ไม่ประสงค์จะประทับในนครราชคลีเลยเพราะเป็นรอยแผลใจที่พระองค์ไม่อาจชำระล้างให้หายสนิทได้ เหตุการณ์นั้นคอยกระตุ้นเตือนให้พระองค์ต้องสะดุ้งพระทัยและเศร้าโศกอยู่มิเว้นวายด้วยประการชนี้จึงทรงย้ายเมืองหลวงจากราชคฤืมาประทับณ ป, ปาตลีบุตรเป็นประจำหลังพุทธปรินิพาน11ปีทรงครองความเป็นใหญ่ในแคว้นมคธอยู่32ปีสิ้นพระชนเมื่อ17ปีหลังพุทธปรินิพานโดยที่พระโอรสของพระองค์เอง อุทัยพัทรราชกุมารทำปิดดุคาดแย่งรัชสมบัติต่อมาอุทัยพัทรรได้ราชสมบัติแล้วถูกพระโอรสคือพระเจ้ามหามุนธิกะปลงพระชนนพระเจ้ามุนทิกะถูกพระเจ้าอนุรุทธะปลงพระชนนพระเจ้าอนุรุทธะถูกพระเจ้านาคทธาตปลงพระชนนประชาชนพลเมืองและอมาชิกราชมนตรีทั้งหลายพิจารณาเห็นว่า กษัตริย์วงนี้มีแต่คิดล้างผลานพระบิดาจึงขับไล่พระเจ้านาคทาตออกจากพระนครแล้วร่วมกันตั้งอมาตผู้หนึ่งกรองนครปรตาตลีบุตรต่อมาวงแห่งพระเจ้าพิมพิสารซึ่งตั้งขึ้นก่อนพุทธกาลประมาณหนึ่งร้อยปีก็ถึงซึ่งความดับศูนย์เมื่อ182ปีหลังพุทธปรินิพานต่อจากนั้นก็เป็นวงนันทะ ซึ่งมีอำนาจราชศักเกรียงไกรขยายอาณาเขตมคตออกไปอีกมากสามารถรวบรวมเอาดินแดนตอนกลางแห่งชมพูทวีปไว้เกือบทั้งหมดแต่ครองอำนาจอยู่ไม่นานนักประมาณ46ปีวงนี้ก็ถูกทำลายลงโดยพระเจ้าจันทรกุปแห่งโมริยวงเมื่อ228ปีหลังพุทธปรินิ พ, พาน จันทรคุบได้สถาปนาโมริยะวงขึ้นแล้วเป็นวงที่เกรียงไกรยิ่งใหญ่ที่พระราชโอรสคือพระเจ้าพินทุสารสืบพระาชสมบัติต่อมาและต่อมาก็คือจอมจกอักรพรรดิอโศพระองค์ผู้เป็นประดุจ ด, ดาวประจำรุ่งนักท้องนัทภาคกาัดซองศาต ร, รัศมีนัดแต่ลุ่มน้ำวอร์ก้าจดดินแดนอาทิตย์อุทัย